สิกพทุกะสปัจจะยวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจั้อยหสภวาวธรรมที่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำมหายวัตถ <m> ุใ <shouting> ห <to> <iente> ้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตตารูปทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหายวัตถุทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำมหายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงธำมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตขันทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นเจตสิกทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าทั้งสองวาระสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยได้แก่สัมปยุต ข, ขันและจิตตสมุฐานรูป ทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตและสัมปยุตขันธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าทั้งสองวาระร้อยเจ็สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกทำสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สอง ขันสองทำขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจ enfin ัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ well ่มเข้าทั้งสองวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นเจตสิกและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป ทำขันที่เป็นเจตสิกและทำอาหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทําขันที่เป็นเจตสิกและทำอาไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าทั้งสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกทําสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตาสมุทฐานรูป ทำขันหนึ่งที่เป็นเจเตสิกและทําจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทําขันสองขันสองและจิตทําขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและธรรมะไ ท, าทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทขาขันสองในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าทั้งสองวาระอารมาณ์ปัจจัยร้อยแปดสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารหัสนะปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารหัสนะปัจจัยได้แก่จักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณทำจ <tra> ักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำกายายตนะสามปยุบัขันธ์ทจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นเจตสิกทำอไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าสองวาระ สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จักขวิญญาณและสัมปยุตตขนันทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำกายญายตนะจิตและสัมปยุตตขนันรรอทยัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสุลที่ขณะมีหนึ่งวาระร้อเก้า สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกทำสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยจักรโวิญญาณและทำจักรโวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สหรตด้วยจักรโวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สอง ที่สหรคุด้วยกายวิญญาณขันสองทำขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสองทำขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและทำหะทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะมีสองวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกทำสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพออาราะอรมณประปัจจัยได้แก่จกักขวิ ญ, ญญาณทำขันที่สหรคตด้วยจักขวิญญาณและทำจักกายะนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงที่สหรครคด้วยกายะวิญญาณจิตทำขันที่เป็นเจเตสิกและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก ทำสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก i, ให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะอาริมณปัจจัยได้แก่ขันสองและจักขวิญญาณทำขันหนึ่งที่สหรู้โค ด, ด้วยจักขวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันสองและจิตทำขันหนึ่งที่เป็นเจตสิก tone, และทำหะไทยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสอง ในปฏิสนธิขณะมีหนึ่งวาระย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระร้อยสเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอรมาณปัจจัยมีเก้าวาระอาทิปติ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโอเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระอาศิวณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ สองปัจญยปัจญี่ยหนึ่งวิพังขวาระน่เหตุตกปัจจร้อยสบอสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกทาสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกปัจจัยได้แก่และถึงทาขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเจตสิยกย่อมีเคราวาระพึงเพิ่มปัญจวิญญาณเหมือนอระมะนะปัจจัยเฉพาะในสามวาระเท่านั้นมีโมหะ ผู้รู้พึงจัดวาระทั้งหมดไว้ในประวัธิการและปฏิสนธิการสองปั จ, จยะปัจจนยะสองสังขยาวาระสุทไนรอยสิบสองนเหตุปัจจัยมีก้าวาระนอารมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมันันตระปัจจัยมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสียปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนาอเซวณปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจใจมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาานาปัจใจมีเก้าวาระ ณมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจัยอนุโลมปัจจนิยะร้อยสิบสมณอรมณปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระย่อ ปัจจะยปัจญิญญาณุลม1้ออารมณะปัจใจัำนะเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระมรรคะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระนิจยวาระเหมือนกับปัจจยวาระ57าเจเจตสิกะทุกกะ ห้าสังจัตถวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดรักควรกับสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรักควรกับขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและถึงเกิดรักควรกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดรักควรกับสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก เพราะเหตุปัจจ <mesan> <right> ัยได้แก่จิตเกิดระคนกับขันธ์ที่เป็นเจตสิกในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเกิดระกคนกับสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตเกิดรัคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและถึงเกิดรัคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก เ <imir Sham krit> พราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุติขัน์เกิดรักควรกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เ <ain> ป็นเจตสิกเกิดรักคนกับสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกและเกิดรกควรกับจิตและถึงเกิดรกควรกับขันสองในปฏิสนธิขณะย่อหนึ่งปัจจญานุโลม สสังขยาวาระร16ยหเฮตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปั จ, ย ป, จ, จยปัจจนยะ 1. วิพังขวาระ1้อสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดรกรับสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก เะนะเหตุปัจจัยโดยในนี้พึงเพิ่มเข้าทั้งห้าวาระเฉพาะสามวาระมีโมหะยอ่อ 2. ปัจจะยะปัจญจิยะ 2. สังขยาวาระ1้อนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนะอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระนะัปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนะัปัชาชาตปัจจัยมีห้าวาระนะอเสวณปัจจัยมีห้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณัชานะปัจจัยมีห้าวาระนมะัคคปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุตตวาระเพึงเพิ่มอย่างนี้ เจตสิกทุกะเจ็ปัญหาวาระหนึ่งปัญจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสิบเกสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแห่สัมพยุจฉขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขันะสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันธ์จิตและจิตตสมุทฐานรูป โดยเหตุปัใจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัยร้อยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรากขันที่เป็นเจตสิกขันที่เป็นเจตสิกจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมมลเพราะปรากขันที่เป็นเจตสิกจิตจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรากรันที่เป็นเจตสิก การ์ที่เป็นเจตสิกและจิตจึงเกิดขึ้น 1. ยสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโวทานมรรคผลและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุ และขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ลุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเจตสิกด้วยเจโตปริยญาณอากาสา น, านาัญญาตนะอาคินยยัญญาตนะรูปายตนะ เป็นปัจจ er. wow. like ัยแก่จ ah ักรวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตกตัญาณและอาวชนะจิตโดยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมาก พิจารณานิพานเหมือนกับข้อความตอนต้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมาัะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษถูกฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่างพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเจตสิกด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจาญตนะอากินัญญายตนะ เป็นปัจจัยแกเนวสัญญาณาสัญญายาตนะรูปลายญตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรโครตด้วยจักขวิญญาณโผพธพายญตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรครตด้วยกายวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานอนาคตกตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคพิจารณานิพานเหมือนกับข้อความตอนต้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพล่อเพลินเพราะปรารบความยินดีเพล่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยทิประจักผูรูปายตรนะณเป็นปัจจัยแก่จักผูวิญญาณและสัมปยุตตะขันโดยอารมณปัจจัยโพธปลายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมปยุตตขันขันที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัจนะจิตโดยอารมณปัจจัยร้อยี่สิบสอง สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารกขันที่เป็นเจตสิกและจิตขันที่เป็นเจตสิกจึงเกิดขึ้น ont, พึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่เป็นเจตสิกและจิตจิตจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมมลเพราะปรารกขันที่เป็นเจตสิกและจิตขันที่เป็นเจตสิกและจิตจึงเกิดขึ้น อธิปฏิปัจจัยยสสสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอธิปฏิปัจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปฏิและสหชาตาทิปฏิอารมนาทิปติได้แก่เพราะทาขันธ์ที่เป็นเจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่เป็นเจตสิกจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ปธิปฎธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันโดยที่ปฏิปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลอารมนาทิปฏิได้แก่เพราะทำขันที่เป็นเจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตตสุโทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลอารมนาทิปฏิได้แก่ พราะทำขันที่เป็นเจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่เป็นเจตสิกและจิตจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแฝ่สัมปยุติขัน์จิตและจิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยร้อยยีสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมนาธิปติ และสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคพิจารณานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจเจกไอโคตระภูโวทานมรรคและผลโดยทิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลื่อเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลื่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นจิตจึงเกิดขึ้น สหชาตาทิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตตสมุทานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาที่ปฏิและสหาชาตาธิปฏิอารมณนาที่ ป, ต, ปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคพิจารณานิพพานเหมือนกับข้อความตอนต้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่ไม่เป็นเจตสิกให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ที่เป็นเจตสิกและจิตจึงเกิดขึ้นสะหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระมีเฉพาะอารมนาธิปติปัจจัย อนันตรปัจจัยเป็นต้นร้อยสิห้าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยพึงแ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัย เพิงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกและจิตที่เกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยร้อยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จิตที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภู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 ไม่มีอาวชนาจิตและวุฒานะเป็นปัจจัยโดยสัมนันตะปัจจัยเนี้าวาระเป็นปัจจัยโดยชาชาตะปัจจัยเมี้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเมี้าวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยเมี้าวาระเหมือนกับปัจยวาระอุปาณิสยาปัจจัยร้อยี่สิเจ็ สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาเนสยาอนันตารูปาเนสยและปะกะตูปาเนสยาปะกะตูปาเนสยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกโดยอุปาเนสยปัจจัยเพึงอ้างบทที่เป็นมูลอุปาินสยปัจจัยมีสามวาระขันธ์ที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่จิตโดยอุปาเนสยปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นม WHO ูลอุปาเนสยปัจจัยมีสามวาระคันที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกและจิตโดยอุปาเนสยาปัจจัยร้อยสิบปสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปนิจยอนันตารูปานิจย และประกาศตูปานิจยะประกาศตูปานิจยะได้แก่บุคคลอาศัยอุตุโพชนะไซนาสนะและจิตแล้วให้ทานและถึงทำลายสงอุตุโพชนะเซนาสนะและจิตเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและพภะสีมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออราโูปะนิสยอันันตารูปะนิสยและประกระตูปะนิสยประกระตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยอูตุโภชนะเสนาสนะและจิตแล้วให้ทานมีสามวระเหมือนกับข้อความตอนต้นไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยร้อยี่สบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ผูฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาต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 คืออารมณบุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุมาทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสธทาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่จะห่อรักด้วยจักขุวิญญาณโผูถายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่จะห่อรักด้วยกายวิญญาณ วัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สห้อโรคด้วยจักขรวิญญาณละถึงกายายตนะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นเจตสิกโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแกข็งขันที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ อารามนาปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปราุบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นจิตและจำปรยุตคขันจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักผุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทธาตุรูปลายตนะะเป็นปจัจจัยขจักผูวิญญาณและจมป ย, ยุตนะิขันผูถลายตระะและถึง วัตถุปุเรชาตะได้แก่จักรายยตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณและสัมปยุตตะขันกายายยตนะละถึงอธัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตะขัน์โดยปเรชาตะปัจจัยปัจชาชาตะปัจจัยและอาเสวนาปัจจัยร้อยสามสิบสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยปัจชาชาตะปัจจัยย่อ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 สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขัน์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยกรรมรปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตจตมสมุทฐานรูปโดยกรมรมปัจจัยในปฏิสนธิคณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตที่เป็นวิบากและกตัลตารูปโดยก ร, รมมปัจจัย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 และกระดัษตารูปโดยกรมมปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นร้อยสสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารับปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระ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 บุเรชาตะและปัจฉาชาตะสาชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทารูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่กระตาตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยจิตเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตโดยวิปยุตตปัจจัยบุเรชาตะได้แก่จากขายตนะเป็นปัจจัยแก่จากขวิญญาณ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 ในปฏิสนที่ขณะมหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกโดยวิบิยุตตปัจจัยภูริชาตะได้แก่จักขลายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สะหรบโคด้วยจักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สะหรคตด้วยกายวิญญาณมหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกโดยวิบิยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยวิบยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะมหาทิวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกและจิตโดยวิบยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตะนะเป็นปัจจัยแข็จักขูวิ ญ, ญญาณและสัมปยุตตาขันกายายตะนะิเน เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและสัมบูญุตขันหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมบยญุตขันโดยวิบิวตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยวิบิวตตาปัปจจัยมีสองอย่างคือสาชาตะและปัจฉาชาตะยอ่ออธิ ป, ปัจใจรอยสามสสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยมีเนื่องวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธ ร, รรมที่เป็นเจตสิกเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาตะยอ่อสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอัติปัจจัยมีเนื่องวาระ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 สหาชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะจิตละถึงในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกัน สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสาหาชาตะและปุเรชาตะสาหาชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจใจัยในปฏิสนธิขณะจิตละถึงในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเจตสิกและจิต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 ขันหนึ่งที่สหรโคตด้วยจกักขวิ ญ, ญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสองที่สหรคตด้วยกายวิญญาณละถึงขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกหาไทยวัตถุและจิตเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยขันสองสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นเจตสิกหาไทยวัตถุและจิตเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะเ พ, เพิ่มเข้าทั้งสองวาระสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจชาชาตะมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่คันที่สหรคตรด้วยจักขรวิญ ญ, ญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญ ญ, ญาณกายวิญ ญ, ญาณ ละถึงคันที่เป็นเจตสิกและจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยขันที่เป็นเจตสิกจิตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่คันที่เป็นเจตสิกและาหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตาาโดยอธิปัจจัจ ย, น ใ, จจย ใ, จในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเข้าทั้งสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่เป็นเจตสิกและจิตเป็นปัจจัยแก่กายนี Clearly, ้ท şey, ี่เกิดฟอนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกจิตและโกลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเจตสิกจิตและรูปปฏิวิตรินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยจกักขรวิ ญ, ญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจักขรวิ ญ, ญญาณโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์หนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยกายวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและกายวิญญาณ โดยอธิปัจจัยขันธ์สองสะจาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นเจตสิกและอภัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตโดยอธิปัจจัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะเพิ่เพิ่มเข้าทั้งสองวาระ 1. ปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทนัยร้อ 37. เจหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9ก้าวาระ อาเปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจใจมีเก้าวาระนิสียปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีเ้าวาระอุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจชาติตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวะนปัจจัยมีเ้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีเ้าวาระอินทรีย์ปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปุหิตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนณิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ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 ปชาชาตะปัจใจและกรรมะปัจใจสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป hmm yeah oh yeah. ็น <splash> ป <principles and humility> ัจใจแก่ <verstehen> <parfait> สภาวธรรมที <exatamente> ่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยระมณะปัจใจสหชาตะปัจใจอุปาณิเสยปัจใจและกรรมะปัจใจร้อยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกโดยระมณะปัจใจสหชาตะปัจัยอุปาณิเสยปัจัย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 กูเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกและที่ไม่เป็นเจตสิกโดยอรมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย 2. ปัจญยปัจญียะ 2. สังคยาวาระร้อนเหตุปัจจัยมีกลาวาระนอานอรมณปัจจัยมีกลาวาระ ทุกปัจจ oh ัยม 5. 5. 5. I i ีปัจจัยละ9้าวาระโนอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนยารยสี่สอณอารมณะปัจจัยกับเพาตกปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนมคคะปัจจัยม ah ีสามวาระณสัมพยุตตปัจจัยมีหน bon ึ่งวาระณวิปวิตตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสามวาระโนนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิขตะปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยะปัจนิยานุโลมร้อาอารมณปัจจัยกับนเหตุกปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระ เพิ่มเพิ่มบทอนุโลมมาติกาและถึงอวิคตะปั จ, จัยเมีย้าวาระเจตสิะกะทุกะจบ